นิมิตชนิดที่เป็นภาพรูปทรงสีสันเช่นบุคคลเป็นเทพเป็นเจ้ากรรมนายเวรกระตุ้นให้เกิดความมั่นหมายความฟุ้งซ่านโดยเฉพาะเมื่อจิตยังไม่นิ่งพอนิมิตชนิดที่เป็นลักษณะน า, นามธรรมทางใจเช่นโุขมีนิมิตสว่างทุกมีนิมิตมืดฟุ้งซ่านมีนิมิตยุ่งเหยิงสงบมีนิมิตโปร่งกว้าง กระตุ้นให้เกิดปัญญาแบบพุทธเมื่อประกอบกับความเข้าใจเมื่อพูดถึงนิมิตสมาธินักกรรมฐานมักจาะจงถึงภาพที่เกิดขึ้นในใจระหว่างนั่งสมาธิเป็นภาพอดิตชาติบ้างภาพอนาคตการบ้างภาพบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วบ้างภาพพูดผีปีศาจเทพยดาอินพรหมบ้าง ภาพเหล่านั้นแม้จัดเป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นในห้วงมโนทวารก็จริงแต่เป็นคนละเรื่องกันกันกบนิมิต ท, ที่ตรึงจิตให้เกิดสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจำเป็นต้องเกิดนิมิตซึ่งนิมิต ท, ที่เกิดขณะนั่งสมาธิมีหลายแบบแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือนิมิต ท, ที่แปลไปตามสภาพจิตเช่นเมื่อจิตเล็กแคบใจรู้สึกถึงอาการบีบกระจุบ ก็เห็นนิมิตปรากฏตรงหน้าเป็นจุดดำเล็กๆ เ, เมื่อจิตขยายออกใหญ่ยยขึ้นกว้างขึ้นใจรู้สึกถึงความแพ่หล่อโปรงนิมิตดำๆก็ปรากฏเป็นแสงสว่างกว้างขวางขึ้นมาให้สังเกตที่จิตไว้เป็นหลักตั้งอย่าโมโสงสัยว่านิมิต ท, ที่เห็นคืออะไรและถามตัวเองว่าเรายังรู้สึกถึงอิริยาบถนั่ง ในท่าคอตั้งหลังตรงอยู่ไหมยัยงรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกตามจริงอยู่ไหมเมื่อรู้สึกถึงอิริยาบถและ ล, ะลมหายใจเป็นตัวตั้งและเอาความรับรู้นั้นไปสังเกตการปรากฏของนิมิตรพร้อมกันจิตจะโน้มเอียงเข้าสู่การเห็นนิมิตอย่างมีอุเบกขาขี้เกียจสงสัยขี้เกียจขวายคว้าขาี้เกียจเอาอะไรจากนิมิตล่อใจ เอาแต่เห็นว่ารูปร่างนั้นต่างไปเรื่อยๆในที่สุดนิมิตก็หายไปหากเป็นนิมิตสว่างจ้าตรงหน้าก็ย้ายมาเป็นจิตที่สว่างแจ้งเต็มดวงส่องกายให้สว่างทั่วเมื่อรู้สึกถึงความสว่างออกมาจากใจกลางดวงจิตคุณจะได้ฐานสําคัญที่สุดคือมีจิตที่ไม่ดิ้นรนมีจิตที่ไม่เอาอะไรแล้ว จิตที่สว่างแจ้งแบบนั้นจะพอใจรู้กายใจตามจริงสักแต่เห็นกายใจตามจริงว่าเป็นแค่รูปนามไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาซึ่งยิ่งปรากฏชัดเจนซ้ำๆบ่อยขึ้นเท่าไรอุปาทานยิ่งกระเทาะล่อนออกเป็นกระบีกระบีมากขึ้นเท่านั้น